ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมความจริงข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีรู้ความประสมของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วก็นำโภคทรัพย์ที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแบ่งให้แก่ปฏิคาหกผู้รับทานหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างสมคนบ้างสี่คนบ้าง ห้าคนบ้างหกคนบ้างเจ็ดคนบ้างแปดคนบ้างเก้าคนบ้างสิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างสามสิบคนบ้างสี่สิบคนบ้างห้าสิบคนบ้างร้อยคนบ้างมากกว่าร้อยคนบ้างข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ให้ทานอย่างนี้บูชาย่างนี้จะได้รับบุญมากไหมพระพุทธเจ้าคะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพแน่นอนทีเดียวเมื่อท่านให้ทานอย่างนี้บูชาอย่างนี้ย่อมได้รับบุญมากมานพ บ, บุคคลผู้เป็นทายกเป็นทานปบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอสแสวงหาโภกทัพรย์โดยชอบทำครั้นสแสวงหาได้แล้วก็นำพวกกษัพรย์ที่ตนได้มาโดยชอบทำแบ่งให้แก่ปฏิคาหกผู้รับทานหนึ่งคนบ้าง และถึงร้อยคนบ้างมากกว่าร้อยคนบ้างย่อมได้รับบุญมากลำดับนั้นมาคมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมผู้ทรงเปลื่องปราดในถ้อยคําผู้ทรงผาคกาสาวพัดไม่ทรงยึดมั่นเสด็จเที่ยวไปอยู่ว่าในโลกนี้ข้าหัสผู้ใดเป็นธานาปีควรแก่การขอ เป็นผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้ำบูชาชนเหล่าอื่นการบูชาของครหัสผู้นั้นที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้จะบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มาคะในโลกนี้ครรหัสผู้ใดเป็นธานปดีควรแก่การขอเป็นผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้ำบูชาชนเหล่าอื่น ครหัสผู้เช่นนั้นพึงยางการบูชาให้สำเร็จได้ด้วยพระทักขินัยบุคคลทั้งหลายมาข้ามานบกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระผู้มีประภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกพระทักขินัยบุคคลทั้งหลายแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นครหัสเป็นทานาปีควรแก่การขอผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้าบูชาชนเหล่าอื่นในโลกนี้ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้พราหม์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ไม่คล่องด้วยกิเลสไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้บริสุทธิ์ครบถ้วนผู้ควบคุมตนได้เที่ยวไปในโลกพราหม์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจัดถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ตัดเครื่องผูกคือสังโยดได้ทั้งหมด ฝึกตนแล้วมีจิตหลุดพ้นไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้หลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้งปวงฝึกตนแล้วมีจิตหลุดพ้นไม่มีทุกข์ไ ม, ม่มีความหวังพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละราคะโทสะโมหะได้แล้ว S.> สิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วพราหมผ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องทตรธรรมให้เหมาะแก่การแกเหล่าชนผู้ไม่มีมายาไม่มีมานะสิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วพราหมผ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องทตรธรรมให้เหมาะแก่การแกเหล่าชนผู้ปราศจากโลภะไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังสิ้นอาสวะ อยู่จบโพรมจาจันแล้วพรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้มีจิตไม่น้อมไปในตัณหาทั้งหลายข้ามโอคะได้ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเที่ยวไปพรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ในโลกไห น, ไหน คือในโลกนี้หรือโลกอื่นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไตยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละกามทั้งหลายได้แล้วไม่มีความยึดถือสำรวมตนดีแล้วเที่ยวไปเหมือนกระสวยที่ไปตรงฉะนั้นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไตยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ปราศจากราคะมีอินทรีย์มั่นคงดีแล้ว หลุดพ้นจากกิเลสเหมือนดวงจันทร์พ้นจากราหูจับฉะนั้นพรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องธยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้สงบผู้ปราศจากราคะไม่มีความโกรธผู้ไม่มีคติเพราะละขันห้าในโลกนี้ได้แล้วพรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องธยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละชาติและมรณะได้หมดสิ้นแล้ว ล่วงพ้นความสงสัยทุกอย่างพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้มีตนเป็นที่พึ่งไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงเที่ยวไปในโลกพราหมุผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้รู้แจ้งในขันและอายตนะเป็นต้นตามสภาวะที่เป็นจริงว่า นี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีพบใหม่อีกต่อไปพรามผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่ท่านผู้จบเวทยินดีในฌานมีสติบรรลุสัมโพธิญาณเป็นสารณะของเทวดาและมนุษย์จำนวนมากมาข้ามานกราบทูลดังนี้คำถามของข้าพระองค์ไม่เปล่าประโยชน์แน่แทข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสบอกพระทักินัยบุคคลทั้งหลายแก่ข้าพระองค์แล้วความจริงพระองค์ทรงทราบเยอยธรรมทั้งหมดในโลกนี้อย่างทองแท้ธรรมนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกยัญญสัมปทาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นครหัตเป็นทานาปีควรแก่การขอผู้ต้องการบุญมุ่งหวังบุญให้ข้าวและน้ำ บูชาชนเหล่าอื่นในโลกนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มาคะท่านเมื่อจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทำจิตให้ผ่องใสในการทั้งปวงยันย่อมเป็นอารมณ์หน่วงจิตของผู้กำลังบูชาบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทษได้อันหนึ่งบุคคลนั้นปราศจากราคะแล้วควรกาจัดโทสะ เจริญเมตตาจิต ท, ทั่วไปแกสัตว์ทุกจำพวกไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนเป็นนิดชื่อว่าย่อมแพ่อ ป, ปมัญญาไปทั่วทิศมาค้ามานพทูลถามดังนี้ใครชื่อว่าบริสุทธิ์หลุดพ้นและชื่อว่ายังติดอยู่บุคคลจะไปให้ถึงพรหมโลกด้วยตนได้อย่างไรข้าแต่พระมุนีข้าพระองค์ไม่รู้จึงทูลถามขอพระองค์โปรดตรัสบอก ก็พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระพรหมข้าพระองค์เห็นโดยประจักษ์ในวันนี้เพราะพระองค์เป็นผู้เสมอด้วยพรหมของข้าพระองค์จริงๆข้าแต่พระองค์ผู้มีความรุ่งเรืองบุคคลจะเข้าถึงพรหมโลกได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้มาค่ะบุคคลผู้บูชายัญยสมปทาครบทั้งสามการเช่นนั้นพึงอยังการบูชาใหบริสุทธ ด้วยพระทักขีนายบุคคลทั้งหลายเราเรียก บ, บุคคลผู้ควรแก่การขอบูชาถวายทยธรรมอย่างนั้นว่าเข้าถึงพรหมโลกได้แน่นอนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคามานพด้วยกราบทูนว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาษิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระองค์จงทรงจำข่าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมาคูตสูที่หจบ 6. กสพิยะสูตรว่าด้วยสพิยะปริภาชกทูลถามปัญหา ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันกลันธกะนิวาปะสถานเขกรงราชครืสมัยนั้นเทวดาผู้เคยเป็นสาโลหิตของสพียะปริพาชกได้ตั้งปัญหาพร้อมกล่าวว่าสพียะสมณะหรือพรามผู้ใดถูกท่านถามปัญหาเหล่านี้แล้วพยากรณ์ได้ ท่านควรประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นเถิดลำดับนั้นสัพิยปริภาชกเรียนปัญหาเหล่านั้นในสำนักของเทวดานั้นแล้วเข้าไปหาสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัติเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลิศคือปุรณะกัสปะมะคคิริโคสารอาชิตตะเกียดกัมพล ปุถะกัจจานะสันชัยเวรทบุตรนิครนนาตบุตรแล้วถามปัญหาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นถูกถามแล้วไม่สามารถตอบได้เมื่อตอบไม่ได้ก็แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏออกมาทั้งยังกลับย้อนถามสพิยะปริพาชกเสียอีกต่อมาสพิยะปริพาชกมีความคิดดังนี้ว่า ท่านสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลอดคือท่านปุรณกัสปะและถึงท่านนิครนหน้าตรบทถูกเราถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบได้เมื่อตอบไม่ได้ก็แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏออกมาทั้งยังกลับย้อนถามเราในข้อนั้นเสียอีก ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราเปลี่ยนเพศเป็นครหัดไปเสพกรามเสียดีกวา่าต่อมาสพิยะปริภาชกกลับคิดขึ้นได้ว่าพระสมณโคโดมนี้ก็เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลิศเช่นกันอย่ากระนั้นเลยเราเข้าไปหาพระสมณโคโดมแล้วถามปัญหาเหล่านี้ แต่แล้วสพิยะปริพาชกกลับคิดเช่นนี้ว่าท่านสมณพราหม์ทั้งหลายล้วนเป็นผู้เจริญทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเป็นพระเถระเป็นรัตตัญูบุคคลบวชมานานเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้ที่คนส่วนมากยกย่องว่าดีเลิรคือท่านปุรณกัสปะ และถึงท่านนิครนนาตบุตรท่านเหล่านั้นถูกเราถามปัญหาแล้วก็ยังไม่สามารถตอบได้เมื่อไม่สามารถตอบได้ก็ยังแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏออกมาทั้งยังกลับย้อนถามเราในข้อนั้นเสียอีกพระสมณโคโดมถูกเราถามปัญหาเหล่านี้แล้วจะพยากรณ์ตอบได้อย่างไรเพราะพระสมณโคโดมยังหนุ่มนัก และออกบวชก็ยังไม่นานหลังจากนั้นสภิยะปริภาชกกลับคิดขึ้นได้ว่าเราไม่ควรดูหมิน่นไม่ควรดูแคลนพระสมณะโคโดมว่ายังหนุ่มนักความจริงแม้พระสมณะโคดมจะยังหนุ่มแต่ก็เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่ากระนั้นเลยเราควรเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหาเหล่านี้ดีกวา่าต่อจากนั้น สพยะปริพาชกได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางกรุงราชครึ๊เที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณพระเวลุวันกลันทกาณิวาปะสถานเขตกรุงราชครึได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บรรเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลเลือกคาถาว่า ข้าพระองค์มีความเคลือบแคลงสงสัยมุ่งหวังจะทูลถามปัญหาพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหาที่ข้าพระองค์ทูลถามให้สิ้นสงสัยโปรดพยากรปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมไปตามลำดับแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้สพิยะท่านเดินทางมาไกลมุ่งหวังเพื่อจะถามปัญหาเราจะกล่าวเฉลยปัญหาที่ท่านถามให้สิ้นสงสัย เราจะพยากรณ์ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมไปตามลำดับแก่ท่านสพิยะท่านปรารถนาจะถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งอยู่ในใจข้อจงถามมาเถิดเราจะตอบปัญหานั้ น, น, นๆให้หมดแก่ท่านท่านใดนั้นสพิยะปริพาชก ค, คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราไม่เคยได้โอกาสสักหน่อยในสมณพราหมณ์เหล่าเอินเลยแต่พระสมณโคโดมได้ทรงให้โอกาสนี้แก่เราแล้ว เขาจึงดีใจเบิกบานแช่มชื่นเกิดปิติโสมนัสได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าภิกษุบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้สงบสังเ่ยมบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้ฝึกตนแล้วบุคคลรู้อย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่ า, ว า, วาพุทธ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัตพยากรปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัพยากรด้วยพระคทถาดังนี้สพิยะบุคคลใดควรก่ดคำชมเชยว่าเป็นผู้ถึงนิพพานด้วยทางที่ตนทำแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วและความเสื่อมและความเจริญแล้ว อยู่จบพรมจันสิ้นพบใหม่แล้วบุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าภิกษุบุคคลผู้วางเฉยในอารมณ์ทั้งปวงมีสติไม่เบียดเบียนสัตว์ไรๆในโลกทั้งหมดเป็นผู้ข้ามโอคะได้เป็นผู้สงบมีจิตไม่โขนมัวไม่มีกิเลสฟุ้งซ่านบุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้สงบสงมบุคคลใดอบรมอินทรีย์ทั้งหลายได้แล้วในโลกทั้งปวง ทั้งภายในและภายนอกรู้ชัดทั้งโลกนี้และโลกหน้ารอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้นบุคคลนั้นผู้อบรมตนแล้วเช่นนี้บัณฑิตเรียกว่าผู้ฝึกตนแล้วบุคคลผู้พิจารณากิเลสเครื่องกําหนดจิตทั้งสิ้นรู้ชัดสังสารวัตทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิด บัณฑิตเรียกว่าพุท ธ, ธะลำดับนั้นสพิยะปริภาชกชื่นชมยินดีพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วดีใจเบิกบานแช่มชื่นเกิดปิติโสมนัสได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าบุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพรามบุคคลประพฤติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าสมณนะ บุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้ล้างบาปได้บุคคลประพฤติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่านาคะข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้สพิยะบุคคลผู้ลอยบาปทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ปราจาะมณฑินเป็นผู้ประเสริฐ มีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิดำรงตนมั่นคงข้ามพ้นสังสารวัตรเป็นผู้บริสุทธิ์ครบถ้วนไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้คงที่บุคคล น, นั้นบัณฑิตเรียกว่าพรามบุคคลผู้สงบและบุญและบาปได้เป็นผู้ปราศจากทุลีรู้โลกนี้และโลกหน้าล่วงพ้นชาติและมรณะได้แล้วเป็นผู้คงที่ ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าสมณะบุคคลผู้ชำระล้างบาปได้ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกในโลกทั้งปวงเมื่อกลับมาสู่กลับในเทวดาและมนุษย์ผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกลับบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าผู้ล้างบาปได้บุคคลผู้ไม่ทำบาปแม้เล็กน้อยในโลกสลัดสังโยและเครื่องผูกพันได้ทั้งหมด ไม่ติดข้องอยู่ในกิเลสเครื่องข้องทั้งปวงเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้คงที่ผู้ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่านาคะลำดับนั้นสภิยะปริภาชกได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเป็นข้อต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกบุคคลเช่นไรว่าผู้ชนะเขตตรัสเรียกบุคคลว่าผู้ฉลาดด้วยอาการอย่างไร อย่างไรจึงตรัสเรียกว่าบัณฑิตและอย่างไรตรัสเรียกว่ามุนีข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สพิยะบุคคลพิจารณาเขต ท, ทั้งสิน้นคือเขตเทวดาเขตมนุษย์และเขตพรหมแล้ว ผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกที่เป็นมูลเหตุแห่งเขตททั้งมวลเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่าผู้ชนะเขตบุคคลพิจารณากระเปาะฟองทั้งสิน้นคือกระเบาะฟองเทวดากระเบาะฟองมนุษย์และกระเปาะฟองพรหมแล้วผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกที่เป็นมูลเหตุแห่งกระเบาะฟองทั้งมวลเป็นผู้คงที่ ดำรงตนอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่าผู้ฉลาดบุคคลพิจารณาอายตนะทั้งสองประการคืออายตนะทั้งภายในและภายนอกแล้วมีปัญญาบริสุทธิ์ก้าวพ้นทำดำและทำขาวได้แล้วเป็นผู้คงที่ผู้ดํารงตนอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่าบัณฑิต บุคคลรู้ธรรมทั้งของสอัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษทั้งภายในและภายนอกในโลกทั้งปวงล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจขายได้แล้วควรได้รับความเคารพบูชาจากเทวดาและมนุษย์บุคคลนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่ามุนีลำดับนั้นสพิยะปริภาชกได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเป็นข้อต่อไปว่า บุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้จบเวทบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้รู้ตามบุคคลประพฤติตนอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้มีความเพียรและบุคคลตัดอะไรได้บัณฑิตจึงเรียกว่าบุรุษอาชาในข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหาแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สพยะบุคคลเลือกเฟ้นเวททั้งสิ้นของสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ปราศจากราคาในเวทนาทั้งปวงก้าวล่วงเวททั้งปวงได้แล้วบุคคลนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้จบเวทบุคคลพิจารณารู้เท่าทันกิเลสเครื่องเนื่อช้าและนามรูปภายในตนและกิเลสอันเป็นมูลเหตุแห่งโรคในภายนอก เป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกอันเป็นมูลเหตุแห่งโรคทั้งปวงเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้รู้ตามในโลกนี้บุคคลผู้งดเว้นบาปทั้งหมดล่วงพ้นทุกข์ในนรกมีความเพียรเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้มีความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นนักปราช บุคคลตัดเครื่องผูกอันเป็นมูลเหตุแห่งกิเลสเครื่องคล้องทั้งภายในและภายนอกได้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกอันเป็นมูลเหตุแห่งกิเลสเครื่องคล้องทั้งปวงเป็นผู้คงที่ดำรงตนอยู่เช่นนั้นบัณฑิตเรียกว่าบุรุษอาชาในลำดับนั้นสพิยะปริภาชกได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเป็นข้อต่อไปว่าบุคคลบรรลุอะไรบัณฑิตจึงเรียกว่า ผู้มีสุตะบัณฑิตเรียกบุคคลว่าอริยะด้วยอาการอย่างไรบุคคลประพฤติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้มีจรณนะและบุคคลปฏิบัติอย่างไรบัณฑิตจึงเรียกว่าปริภาชกข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสพยากรปัญหาที่ทูลถามด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สพิยะ บุคคลผู้สดับแล้วรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครอบงำธรรม ท, ท, ทั้งที่มีโทษและไม่มีโทษต่างๆที่มีอยู่ในโลกได้หมดความสงสัยมีจิตหลุดพ้นไม่มีความทุกข์ในธรรมทั้งปวงบัณฑิตเรียกว่าผู้มีสุตะบุคคลผู้มีปัญญาตัดอาลัยและอาสวะได้แล้วไม่ถือกําเนิดเกิดในคันอีกละสัญญาสามอย่างและละเปือกตมคือกามได้ ไม่กลับมาสู่กลับอีกบัณฑิตเรียกว่าอริยะในศาสนานี้บุคคลผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุเพราะจจรณะเป็นผู้ฉลาดรู้ธรรมได้ในการทุกเมื่อไม่คล่องอยู่ในธรรมทั้งปวงมีจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีปฏิฆะบัณฑิตเรียกว่าผู้มีจจรณะบุคคลผู้กําจัดธรรมที่มีทุกเป็นวิบากซึ่งมีอยู่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้แล้ว ประพฤติตนอยู่ด้วยปัญญาพิจารณาและละมายามานะโลภะและโกธะได้หมดสิ้นทำนามรูปให้สิ้นสุดลงได้บัณฑิตเรียกว่าปริภาชกผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุลำดับนั้นสพิยะปริภาชกชื่นชมยินดีพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วดีใจเบิกบานแช่มชื่นเกิดปิติสมนัตลุกจากที่นั่ง ทำผ้าเฉวียงบาข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วได้สะดุดดีพระผู้มีพระภาคเลือกคาถาที่เหมาะสมเฉพาะพระภักว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินพระองค์ทรงกำจัดมิจฉาทิฐิสาและมิจฉาทิฏฐิ60ที่อาศัยคมภีเป็นหลักการของผู้สมณระะัทธิอื่นซึ่งอาศัยอักษรสื่อความหมาย และสัญญาที่วิปริศทรงก้าวพ้นความมืดโคโอคะได้แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นผู้ถึงฝั่งทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ตระหนักในพระองค์ว่ามีอาสวะสิ้นแล้วพระองค์ทรงมีความรุ่งเรืองมีความรู้มีปัญญามากได้ทรงแนะนำข้าพระองค์ผู้ทาที่สุดทุกข์ให้ข้ามได้แล้ว เพราะพระองค์ได้ทรงทราบปัญหาที่ข้าพระองค์สงสัยทรงช่วยให้ข้าพระองค์ข้ามพ้นความลังเลใจข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระมุนีผู้ทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุในแนวทางของมุนีไม่มีกิเลสฝังแน่นพระไทยทรงเป็นเผ่าพันแห่งพระอาทิตข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงสงบสงบเี่ยมอย่างยิ่งพระองค์ผู้มีพระจักสุ ได้ทรงพยากรปัญหาข้อสงสัยที่เคยมีมาก่อนของข้าพระองค์จนหมดสิ้นแล้วพระองค์ไม่มีนิวรณ์จึงนับว่าเป็นพระมุนีผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแน่แท้อันหนึ่งความขับแค้นใจทั้งหมดพระองค์ทรงกําจัดตัดถอนได้หมดพระองค์จึงมีพระทัยเยือกเย็นมีการอบรมตนถึงที่สุดแล้วมีพระปัญญาทรงจํามั่นคง มีความบากบั่นในสัจจะเป็นนิดเทวดาทั้งสองพวกที่อาศัยอยู่ณนะนารทบัรพธทั้งหมดพากันชื่นชมอนุโมทนาพระองค์ผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่ในหมู่คนผู้ประเสริฐผู้ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุด ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ไม่มีผู้ใดเลยที่จะทรงคุณเสมอด้วยพระองค์ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาเป็นพระมุนีครอบงามารได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ทรงข้ามห่วงน้ําใหญ่คือสงสารได้แล้วยังทรงช่วยหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วย พระองค์ทรงร่วมพ้นอุปาทิกิเลสได้ทำลายอาสวะได้แล้วไม่มีอุปาทานความถือมั่นและความหวาดกลัวภัยได้เหมือนพญาราชสีไม่กลัวต่อหมู่เนื้อพระองค์ไม่ทรงติดอยู่ในบุญและบาปทั้งสองเหมือนดอกบัวขาวที่สวยงามไม่ติดอยู่ในน้ําข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรขอพระองค์โปรดเหยียดพระบาทออกมาเถิด สพิยะจะขอถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระศาสดาลำดับนั้นสพิยะปริภาชกเหมาอบลงแทพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วเดียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 ข้าพระองค์พึงได้บนรนรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสภิยะผู้เคยเป็นอัญญะเดรธีมาก่อนหวังจะบรารพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสเป็นเวลาสี่เดือนเมื่อครบสี่เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายพอใจจึงจะบรรพชาอุปสมบทให้เป็นภิกษุแต่ในเรื่องการอยู่ปริวาสนี้ เราก็ทราบความแตกต่างของแต่ละบุคคลสพิยะปริภาชกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้เคยเป็นอัญญะดิรธีมาก่อนหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวิ น, นัยนี้จะต้องอยู่ปริว่าเป็นเวลาสี่เดือนเมื่อครบสี่เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายพอใจจึงจะบรรพชาอุปสมบทให้เป็นภิษุข้าพระองค์ก็จะขออยู่ปริวเป็นเวลาสี่ปี เมื่อครบสี่ปีหากภิกษุทั้งหลายพอใจก็ขอโปรโดบรรพชาอุปสมบทให้ข้าพระองค์เป็นภิกษุด้วยเถิดลำดับนั้นสพิยาปริภาชกก็ได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระสพิยะอุปสมบทได้ไม่นานก็จะไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจไม่นานนักก็ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยม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 สพยะสูที่หกจบ